สิกาบทที่8ว่าอันหนึ่งภิกษุใดขาดใจมีโทสะไม่แช่มชื่นตามกาจัดคือโจทย์ภิกษุด้วยธรรมมีโทษ ถ, ถึงปาราชิกอันหาหมู่มิได้ด้วยหมายว่าแม้ชไหนเราจักยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์ น, นี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาก็ตาม ไม่ถือเอาก็ตามเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องหามูลไม่ได้และภิกษุยันอิงโทสะเป็นสังฆาธิเศษข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในหวนหลังว่าการทําคือ น, นาบัติพระศัสดาพระศัสดาตรัสสั่งให้เป็นหน้าที่ของภิกษุผู้จะต้องทําเองก่อนถ้าไม่ทํา จึงเป็นหน้าที่ของภิกษุอื่นจะพึงเตือนเฉพาะตนด้วยเห็นแก่เธอถ้ายัางดื้อด้านแม้จะพึงโจทย์ขึ้นในถ้ำกลางสงโดยเห็นแก่พระศาสนาภิกษุในสิกขาบทนี้ถือเอาประโยชน์จากพระพุทธอนุ ญ, ญาตข้อนั้นและโจทย์ภิกษุอันตนเกลียดชังอธิกรณรในที่นี้ได้แก่อนุวาธาธิกรคือฟ้องหากันด้วยเรื่องละเมิดสิกขาบท ต้องอาบัติอธิกรหามูลไม่ได้นั้นเว้นจากได้เห็นได้ฟังได้รังเกียจเรื่องที่ได้เห็นเองจัดว่ามีมูลเรื่องมีผู้บอกแต่เชื่อโดยเห็นว่ามีหลักฐานก็จัดว่ามีมูลเว้นจากเห็นจากได้ยินแต่กิริยาของเธอแสดงพิรุธให้เกิดรังเกียจก็จัดว่ามีมูลจำโจทย์นั้น พึงกำหนดรู้ด้วยการเล่าถึงเรื่องที่ทำก็ดีด้วยระบุอาบัตก็ดีด้วยการห้ามสังวาสก็ดีด้วยห้ามสามีจีกรรมก็ดีแต่ชัดพอจะให้เข้าใจว่าต้องอาบัตประชิกในคำภีวิพังกล่าวการโจท์ทางวาจาต่อหน้าผู้ต้องโจ์ตามธรรมเนียมที่ใช้กันอยู่ในเวลานั้นพระเถราถาจารถือเอาในนี้กระมัง จึงพิจารณาว่าโจดรับหลังอาบัตยังไม่ถึงที่สุดข้าพเจ้าเข้าใจว่าโจทด้วยวาจาก็ดีโจทด้วยการเช่นเขียนหนังสือยื่นก็ดีจัดว่าเป็นอันโจ์เหมือนกันและการโจ์นั้นย่อมถึงที่สุดขณะเมื่อกล่าวหรือยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่เช่นนางเมติยาภิกษุทูลโจด ท, ท่านพระ ทำพระมัลลบุตรแด่พระศัสดาในนิทานแห่งสิขาบทนี้เองเหตุฉไหนจึงเข้าใจอย่างนี้เพราะโจ์ด้วยกายก็สมปรารถนาได้หรือในบท น, นี้ยิ่งเป็นหลักฐานมากกว่าพูดด้วยปากและเพราะโจ์ด้วยหมายจะให้เคลื่อนจากโรมาจันต้องโจต่อเจ้าหน้าที่ผู้แก่เจ้าตัวเองก็ตามบอกเล่าแก่ภิกษุอื่น เพื่อจะยังความให้กระชอนก็ตามอย่างนี้แลเรียกว่าโจดรับหลังยังไม่ถึงที่สุดข้อที่จําเลยคือผู้ต้องโจดจะต้องรู้ความนั้นจะพึงต้องการในเวลาวินิจฉัยอธิกรเป็นองค์แห่งสำมุขขาวินัยต่างหากอาธิกรไม่มีมูลภิกษุโจดเองก็ดีสั่งให้โจดก็ดีซึ่งภิกษุด้วยธรรมมีโทษถึงปาราชิก ต้องสังฆาทิเศษภิกษุผู้ว่าต่างโจทย์ตามประสงค์ของผู้สัง่งก็ต้องสังฆาทิเศษด้วยอธิกรมีมูลอันเพลาโจทย์ทำให้มั่นเข้าเช่นเป็นแต่เพียงได้รับบอกเล่าแต่โจทย์ว่าได้เห็นเองเป็นสังฆาทิเศษเหมือนกันอธิกรมีมูลอันมั่นโจทย์ทำให้เพลาลงเป็นหน้าบัตรอะไรเล่าในคัมภีวิพังท่านว่าเป็นสังฆาทิเศษเหมือนกัน ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามีไม่ได้เพราะภิกษุผู้โจ์สิหมายจะให้จาเลยชิบหายเหตุไหนจะทำคำของโจ์ของตนให้เปล่าลงอธิกรณ์มีมูลเช่นได้เห็นจริงๆแต่คลับคล้ายคลับคลาสนิฐานลงไม่ถนัดโจท์ทำให้มั่นเข้าว่าได้เห็นโดยถนัดเช่นนี้ท่านว่าเป็นสังคารที่เศษเหมือนกันในคมภีรวิพังกล่าวว่า จำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือต้องปาราชิกแล้วแต่โจทดสำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และโจทดด้วยอธิกรณ์ที่ตนเข้าใจว่าไม่มีมูลต้องสังคาทิเศษเหมือนกันท่านวินิจฉัยชอบความปฏิญญาว่าเป็นภิกษุแลควรถือเป็นประมาณอันหนึ่งเป็นธรรมเนียมของภิกษุผู้จะโจดภิกษุอื่นต่อหน้าต้องขอโอกาสต่อภิกษุนั้นก่อนไม่ทาอย่างนั้น ท, กกท่านจึงยกอาบัตินี้ขึ้นวินิจฉัยด้วยในวิพังธรรมเนียมนี้ควรใช้แม้เมื่อโจทย์ในที่ลับหลังควรบอกแก่ผู้ที่ตนจะโจทย์ให้รู้ตัวแม้ทนายความในทุกวันนี้เขาทำอย่างนี้ก็มีจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตามเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ก็ตามเข้าในว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์โจทย์ตรงตามอาการได้เห็น หรือได้ฟังหรือรังเกียจสงสัยแม้หากอธิกรณ์นั้นไม่เป็นจริงเช่นได้รับแจ้งความเท็จไม่ต้องอาบัตในสิกขาบทนี้ท่านหาได้กล่าวอาบัตเป็นอนุลมไว้ไม่ตามอนุลมโจ์ด้วยอาบัตสังคาทิเศษน่าจะถุลใจแต่มีสิกขาบทไว้แผนกหนึ่งวางโทษเพียงปะจิตตีเท่านั้น ข้อนี้เป็นเหตุอย่างสนิฐานว่าอาบัติอนุโลมตั้งขึ้นทีหลังสิกขาบทที่9 ว, ว่าอันหนึ่งภิกษุใดขาดใจมีโทสะไม่ช่ำชื่นถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรนั้นเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่ตามํำจัดภิกษุโดยทำอันมีโทษถึงปาราชิกด้วยหมายว่าแม้ฉชไหน เราจะยังเธอให้เคลื่อนจากพรหมจรรย์นี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นอันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาก็ตามไม่ถือเอาก็ตามในวงเล็บคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่ทีิก่อนั้นเป็นเรื่องอื่นเอกเทศบางแห่งเธอถือเอาพอเป็นเล่และภิกษุย่อมยันอิงโทสะเป็นสังฆาธิเศษอธิกรเป็นเรื่องอื่นนั้น เป็นเรื่องของผู้อื่นก็มีเป็นเรื่องของจำเลยเองก็มีถือเอาเลขแห่งอธิกรณ์เป็นเรื่องของผู้อื่นนั้นเช่นได้เห็นคนผิวขาวหรือคล้ำมีรูปร่างสูงหรือต่ำเช่นจำเลยทำการเช่นจะนำมาโจทได้ภิกษุอ้างการที่ได้เห็นนั้นว่าได้เห็นคนมีผิวอย่างนั้นก็ดูว่ามีสันนิษฐานอย่างนั้นก็ดี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 จำเลยประพฤติล่วงสิขาบทบางข้อแต่ไม่ถึงปาราชิกโชนให้แรงถึงปาราชิกความนอกจากนี้เหมือนในสิขาบทก่อนสิขาบทที่10ว่าอันหนึ่งภิกษุใดแต่เกียด ก, กายเพื่อทำลายสงผู้พร้อมเพรียงหรือถือเอาัติกรในวงเล็บคือเรื่องอันเป็นเหตุแต่กันยกย่อมยันอยู่ภิกษุนั้น อันปิกสุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้ตะเกียกตะกายเพื่อทาลายสงผู้พร้อมเพรียงหรืออย่าได้ถือเอาอาธิกรณ์อันเป็นเหตุแตกกันยกย่องยันอยู่ขอท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงเพราะว่าสงผู้พร้อมเพรียงกันปรองดองกันไม่มีวาดกันมีอุเทศเดียวกันในวงเล็บคือฟังพระปฏิโมกร่วมกันย่อมอยู่ผาสุข และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องยันอยู่อย่างนั้นเทียวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมณนุภาพคือประกาศห้ามกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมณนุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สลากรรมนั้นเสียสลาได้อย่างนี้ นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สละเสียเป็นสังฆาทิเศษสงฆ์ในที่นี้หมายเอาภิกษุทั้งหมู่ความว่าพร้อมเพรียงนั้นคือมีสังวาสเสมอกันอยู่ในสีมาเดียวกันคำว่าตะเกียกตะกายเพื่อทําลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงนั้นคือขวนขวายเพื่อจะให้แตกเป็นกกจนถึงมีสังวาสตากคือไม่ร่วมอุโบสถสังฆกรรม อธิกรเป็นเหตุแตกกันนั้นคือเถียงกันว่านั่นทำนั่นไม่ใช่ทำนั่นวินยัยนั่นไม่ใช่วินยัยเป็นต้นข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างในเรื่องพระเทวทัตผู้ขวนขวายเพื่อแยกออกจากสำนักพระศาสดาและตั้งสำนักใหม่เป็นหน้าที่ของภิกษุผู้รู้เรื่องจะพึงห้ามปรามรู้แล้วไม่ว่าต้องทุกกฎถ้าว่าแล้วไม่ฟัง พึงจุดตัวมาท่ามกลางสงว่ากล่าวอีกสามครั้งถ้ายังขืนอยู่พึงสวดสมนุภาพคือประกาศห้ามโดยอานัตของสงด้วยยติจตุธกรรมฝ่ายภิกษุผู้เป็นตัวการเมื่อได้รับห้ามสละเสียได้ในคราวแรกๆจัดว่าเป็นดีถ้าไม่สละต้องทุกกดทุกคราวจนจบยติคือคำพเดียงสง จบอนุสาวนาคือคำหารือและตกลงของสงฆ์สองคราวข้างต้นต้องถุลใจจบอนุสาวนาคราวที่สามอันเป็นหนนสุดท้ายต้องสังฆาทิเศษเมื่ออาบัตถึงที่สุดแล้วอาบัตในบุคาพประโยคย่อมระงับในการเป็นธรรมคือธรรมถูกตามคลองธรรมและแบบแผนเข้าใจถูกก็ดี แคลงอยู่ก็ดีเข้าใจผิดก็ดีไม่สละเป็นสังคาริเศษเหมือนกันเหตุนั้นอาบัตในสิกขาบทนี้จึงเป็นอจิตกะในกรรมไม่เป็นธรรมท่านว่าเป็นทุกกฎข้อนี้พึ่งเห็นในกรรมอันธทรรมผิดแบบแผนแต่ความมุ่งหมายถูกตามกรองธรรมสิกขาบทที่11ว่าอันหนึ่งมีภิกษุผู้ประพฤตตามผู้พูด เข้ากันของภิกษุนั่นแหล1หนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวคาอะไรอะไรต่อภิกษุนั่นภิกษุนั่นกล่าวถูกทำด้วยภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วยภิกษุนั่นถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วยเธอรู้ใจ ของพวกข้าพเจ้าแล้วคำที่เธอกล่าวนั้นย่อมควรคือถูกใจแม้แก่พวกข้าพเจ้าภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้นภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกทมไม่ด้วยภิกษุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม่ด้วยด้วยทาลายสง จะได้เห็นชอบแม้แก่พวกท่านขอใจของพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงฆ์เพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันปรองดองกันไม่วิวาดกันมีอยู่เทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขและภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอย่างนั้นเทียวภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบ เพื่อให้สลากรรมนั้นเสียหากเธอทั้งหลายถูกสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สลากกรรมนั้นเสียสลาดได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอทั้งหลายไม่สลาเสียเป็นสังขาธิเศษบาลีแห่งสิขาบทนี้ปรากฏว่ามีตกหล่นและคลาดเคลื่อนบางแห่งเช่นคำว่าเธอรู้ของพวกข้าพเจ้า เพ่งความพอใจและความชอบใจนั้นหรือตกบทอะไรสักอย่างเช่นจิตหรืออชิาสัยในที่นี้ได้ลงบทว่าใจไว้แทนเพื่อหมายความตลอดถึงความพอใจและความชอบใจอีกแห่งหนึ่งคำว่าขอของพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสงตามรูปนี้ตกอะไรสักบทหนึ่งซึ่งเป็นเอกวจะนะ คือเป็นของสิ่งเดียวที่ลงไว้ในที่นี้ว่าใจเหมือนกันแต่เทียบภาคเช่นนี้ในสิกขาบทก่อนต้องถือว่าบทคลาดเคลื่อนความควรจะว่าขอพวกท่านทั้งหลายจงพร้อมเพรียงด้วยสงอธิบายในสิกขาบทนี้พึงรู้โดยในอันกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อนมีข้อแปลกแต่เพียงว่าสงสวดสมานุภาพภิกษุเหล่านั้นคราวละสองรูป 3รูปได้ห้าไม่ให้สวนสมานุภาพในคราวเดียวยิ่งกว่านั้นมีอธิบายว่าภิกษุตั้งแต่สียรูปจัดว่าเป็นสงเหมือนกันสงฝ่ายหนึ่งจะทำกรรมแก่สงอีกฝ่ายหนึ่งผิดแผนพระวินัยสิกขาบทที่1 2ว่าอันหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีสัญชาติแห่งคนว่ายากอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ถูกทางทำ ในสิกขาบททั้งหลายอันเนื่องในอุเทศคือพระปฏิโมกทำตนให้เป็นผู้อันใครๆว่ากล่าวไม่ได้ด้วยกล่าวโต้ว่าพวกท่านอย่าได้กล่าวอะไรๆต่อเราเป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามแม้เราก็จะไม่กล่าวอะไรๆต่อพวกท่านเหมือนกันเป็นคำดีก็ตามเป็นคำชั่วก็ตามขอพวกท่านจงเว้นจากการว่ากล่าวเราเสีย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 เขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าท่านเป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยและสกุลทั้งหลายอันท่านประทุษร้ายแล้วเขาได้เห็นอยู่ด้วยเขาได้ยินอยู่ด้วยท่านจงหลีกไปเสียจากอาวาสนี้ ท่านอยากรู่ในที่นี้ในวงเล็บอีกและภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ว่าภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าพวกภิกษุถึงความพอใจด้วยถึงความขัดเคืองด้วยถึงความหลงด้วยถึงความกลัวด้วยย่อมขับภิกษุบางรูปย่อมไม่ขับภิกษุบางรูปเพราะอาบัติเช่นเดียวกันภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายหาได้ถึงความพอใจไหมหาได้ถึงความขัดเคืองไหมหาได้ถึงความหลงไหมหาได้ถึงความกลัวไหมท่านเองแลเป็นผู้ประทุษร้ายสกุลมีความประพฤติเลวทรามและอื่นๆท่านอย่าอยู่ในที่นี้ในวงเล็บอีกและภิกษุนั้น อันภิกษุทั้งหลายว่ า, ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นเทียวภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกรรมนั้นเสียหากเธอถูกสวดสมนุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สละกกรรมนั้นเสียสลาดได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอไม่สละเสียเป็นสังขาธิเศษ คำว่าประทุษร้ายสกุลเป็นโวหารอย่างหนึ่งใช้อยู่ในหมู่ภิสษุไม่ได้หมายความว่าโกรธขึงจองล้างจองผลาญทำร้ายร่างกายหรือทำให้เสียทรัพย์หมายความว่าเป็นผู้ประจบเขาด้วยกริยาทำตนอย่างเครือขันยอมตนให้เขาใช้สอยหรือด้วยอาการเอาเปรียบโดยเชิงให้สิ่งของเล็กน้อยด้วยหวังได้มาก คำอย่างนี้เรียกว่าประทุษร้ายสกุลเพราะทำให้เขาเสียศรัทธาเลื่อมใสอันเป็นมูลแห่งกุศลสมบัติจริงอยู่ภิกษุทำเช่นนั้นแม้หากถูกใจของเขาบ้างเหล่าแต่เขาคงไม่นับถือโดยฐานะเป็นพระคงครบโดยฐานะเป็นเพื่อนเ้นเยวคำว่ามีความประพฤติเลวสามนั้นคือประพฤตินอกทางของสมณนะเป็นต้นว่า ประพฤติสูงสิงกับหญิงสาวในสกุลเล่นการพนันเล่นสุกสนต่างๆเล่นตลกขนองร้องรำทำเพลงภิกษุเช่นนี้มีพระพุทธานุญาตไว้ให้สงลงโทษทาปรับภาชนิยกรรมขับเสียจากอาวาสภิกษุผู้นั้นต้องปรับภาชนิยกรรมอย่างนี้ควรจะรู้สึกโทษตัวประพฤติ ก, กลับตัวเสียใหม่เพื่อสงจะได้งดโทษ แต่ภิกษุในสิกขาบทนี้กลับว่าติเตียนภิกษุอื่นว่าลุอำนาจเกออคติสที่ทรงอนุ ญ, ญาตให้สงว่ากล่าวตลอดถึงสวดสมนุภาพประกาศห้ามถ้าไม่ฟังต้องสังฆาทิเศษสังฆาทิเศษส3สสิกขาบทนี้9สิกขาบทข้างต้นให้ต้องอาบัดแต่แรกทำเรียกปฐมาปฏิกะ4สิกขาบทข้างปลาย ให้ต้องอาบัตต่อเมื่อสงสวดประกาศห้ามครบ3ามครั้งเรียกยาวัตะติกะภิกษุล่วงสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษเป็นธรรมเนียมของภิกษุผู้ต้องอาบัตสังคาทิเศษจะแจ้งความนั้นแก่สงย่างต่ำเพียงจตุวัคคือสี่รูปและขอประพฤติวัดชื่อมานัทเมื่อสงสวดอนุญาตให้แล้ว พึงประพฤติมานัดนั้นให้ถูกระเบียบ6ราตรีเสร็จแล้วจึงมาขออภานต่อสงฆ์เฉพาะวีสติวัค์คือ20รูปอย่างเดียวสงฆ์สวดอภานระ ง, งับอาบัติสังฆาทิเศษนั้นแล้วจึงกลับเป็นผู้บริสุทธิ์ตามเดิมแต่ถ้าภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเศษนั้นปิดเสียไม่บอกแก่ภิกษุด้วยกันปล่อยให้วันล่วงไปเท่าใด ต้องประพฤติวัดชื่อว่าปริวาสแถมก่อนสิ้นวันเท่านั้นเสร็จแล้วจึงประพฤติวัดชื่อว่ามานัทนั้นต่อไปตามธรรมเนียมภิกษุต้องอาบัติแล้วแน่ใจว่าต้องคิดจะปิดไม่บอกภิกษุอื่นให้ล่วงวันไปดังนี้เป็นนั้นปิดถ้าไม่คิดจะปิดแต่มีเหตุขัดข้องที่จะบอกไม่ได้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 ในฝ่ายอาบัตที่จะแก้ตัวได้จึงเรียกว่าครุกาบัตมีเรื่องหยาบคาอยู่มากจึงเรียกทุตถุนละบัตภิกษุผู้ต้องจะพ้นได้ด้วยอยู่กรรมจึงเรียกว่าวุฒธธานาคามินีสิกขาบทสังฆาทิเศษจบ